มาคณะสงฆ์ขออนุญาตนาสาธุการแตทันงาศี่มีจิตม่งหมายอันดีช่วยไทยไทยช่วยไทยชาติตอดภัยไม่มีเสียดจังไรต่อภัยตั้งแต่ปัจนี้ไทยช่วยไทยชาติช่วยชาติศาสนาช่วยศาสนาพมหากษัตริย์ประสนมกรมาสตร์ทั้งหลายโปรดนั่งใจ นารมหากุศลของพระองค์ น, นั้นให้เห็นได้ตอนน่อไปโปรดได้รับพรไทยช่างลาทุกท่านวันนี้เป็นวันธรรมสุนทะจตุปัสโซแลมที่สี่ข้ามหนึ่ักเป็นวันที่บาสัตว์ทั้งหลายจะทราบความหมายของชีวิตอย่างจทุกสิ่งแยกมาพร้อมกันนะธรรมภาคอาชาลาสูรทำภาวนาในวันนี้ ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้มีสติได้ความคิดชีวิตทันจะแจ่มใสที่จะชีวิตท่นจะมีธรรมั้มาปฏิบททัติหน้าชีวตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันนี้เป็นวันวันพะแรงทิ่สิคขาวันชิ้นเดือนเดือนขาดขอให้พี่น้องเราตากขาดด้วยความชั่ว ลงให้ตกทันจะพบความดีมีปัญญาชีวิตท่านจะแจนสใยแนนาคตต่อไปโอกาสข้างหน้าแน่นอนก็จะเรียนพร อ, อยงนนวันนี้ท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาทรมั้งมาปฏิบัตินหน้าที่ให้ตรงดีสร้างความดีให้มีธรรมขอให้ท่านปลูกความรักความศรัทธาปลดความชุกขออกในวันจาวโสดสิ้นเดือน ปลดความทุกข์ออกไปกระจายปัดเปาความทุกข์ออกไปหลับตัวให้ขา่าในชีวิตจิตใจให้แจ่มใสแรงขึ้นคือใหม่เปลี่ยนภาวะท้นตอนให้สู่ภาวะถิ่นฝากฟังนี้ไปสุขอนุญาให้สุขได้สอดส่องให้ฟังว่าครูจ ด, ดหลักเปลี่ยนเลื่อนฐานะให้จิตใจยี้มีปัญญา แต่ขายปัญหาให้หมดทุกถึงวัมอมตะคือแผ่นดินทานโดยทั่วรันนาบัติวันนี้เป็นวิ่งขวัญมางคนตองแทบอีกวันในการตองมาฟังธรรมเอาแวหาพระในวันพระสงองค์เจ้าท่านวดมาแล้วท่านจะพบพระไม่ล้วมชาหลังองค์ท่านไม่พบพระหลังองค์ท่านก็พบพระเจียใจท่านก็เฉลิกราบเนื้อที่ปะการ อาโคมมารัสารบุตโสอุศินมันไม่สดไม่ไม่ชื่นมันมีแต่แห้งแลยสิตใจแห้งแลยสิตใจไม่สดชื่นชีวิตนี้หรือจะทนเกลืนคืนกระโอมขมก็เืนชีวิตมันขมคืนก็หลอดการประสาทปีนี้ตกวิกิตการตกขมคืนไม่มีความชื่นใ จ, จากับประธารใด้ขอฝากท่านหลายวัยหนุอกาส่าห์อจะต้องการคืนจะต้องอมไหม ผมท่านจะต้องเกลื่อนชีวิตไม่ช่างชื่นชีวิตแบบเบิกตาไม่หันสามันมีหน้ามีตาในอนาคตชีวิตจะกดสิ่งทุกข์ขหามีได้มีตาชาจะปัญหาชาจะความทุกข์หาความสนุกในสังคมเที่ยทัวบุญไปทั่วไปวันนี้วัาอาทิตย์มาทัวบุญละหลายจ่ายทัวบุญไอาทัวรบุญแต่ไม่มีบุญคุณในชีวิตชมวิตท่านจะอาบเช้าชีวิตท่านอับปางเสี้อกลางทะเล โหราชาโราหรเฮ่ไม่ไกลไกลไม่ถึงถึงไม่สั่งซั่งขอฝากท่านเทคนนี่ น, นเรื่องจริงเป็นอย่างนีท่านจะเอาอย่างไรครเรามาฟังธรรมมาให้ขอคิดมาวัดแต่มาวัดเพื่ออะไรมาเทียเ่ยวมาเสีส่วนหนหางเช่นนั้นหรือประการใดท่านจะปรากทุกไม่ได้ท่านจะไม่ไมีเมตเพียนมาลุกไหวมาครุกหกสิบสี่ตาเดินอยู่ตาเดียว มาทิ้งจะจนอับเฉาอับจนเศรษฐกิจตกคูอบริหารงานดีมากขอดับหนึ่งขอราสตร์นัพลบริหารดีสุดขอชมเชยบริหารคนรวยให้จนไปได้ถ้าไัยโบราณจะท่าความหลังเข้าบริหารพ่อแม่จนพ่อกับจนแม่กับจนให้คแนแทนเศรษฐกิดเขาสามารถแทนฤทธิ์กายเพทย์เป็นเศรษฐีได้ บริหารงานให้ลูกเป็นเศรษฐีให้ลูกมีวิชาให้ลูกเป็นในทนพ่อประชวนแม่ประชวนลูกเป็นในทนได้เดี๋ยจะเป็นในผลเอกนะเนีเสียจะเป็นในผลเอกนะบริหารให้มันอย่างนี้ใช่ไหมเสียใจกระท่งได้เสียในเยอะละทุกข์ภพตีตาเดนอยู่ตาเดียวตาจนอับเข่าอับจนตลอดระยการเสียการที่คุณจะมนจะช่วยโจเอ็มกระตุกการได้รอได้หันมาหาชีาวิตเก่า มาเล่ากันหโ ป, ปข้ามมูลสมัยบริบูรณ์ด้วยจอตนอชุกขลัอพิบูลชุกขลามทำสวนครัวไม่คัวอดถักความยากจะไม่เกิดอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีใครในชิ้นจอนตนปอ พ, พิบูลชงกรามแจะบริการดาาได้จะได้ด้ายเมือหลวไปสู่ทวัดเชบูนใช้เอาคนไปตายใช้บุรีไปตาไปจำนวนห น, น้าไปขูดฉนวน เราได้ได้ขูเหลี่ยมฐ า, า, านมาแทนคอมพ้นแมกคนไปตายสิงบุรีเป็นไม่กันเยอะเป็นแม่เยอะหัวตายหมดไปคุดสนนใชระดานให้ส บ, บูงตา่างของคนชอพผู้กระทำจดจำประจุบคุณหนูจะย้ายเนืองหลวงไปเพชรบุรณามาย้าย ไ, ไ, ไปในอนาคตรดกระติ ด, ดกรกจะแน่ กองด้าเมืองหลวงออกจากเมืองท่าก็ อ, อยู่เพชรบูรณีมีภูเขารอนรอบเมืองระแพงเพชรเมืองตาเป็นหน้าบ้านตะวอม ช, อกกออมชออ่้สยากับยบุรีจะเจริญถึงฉละกบุรีตลอดข้างกรุงชีอโยธยาแลวจะทำขบแล้วกจันมาตรงหลกต้องสอย ห, หลังทหาหล่ที่บูลทาสนทัวไม่ทั่วอดทัดันลัวก็ปินได้เดี๋ยวไม่ปิงไม่ได้ะนะขัรู้ว ครก็ครบคันรกคือผักตาลึงหรือคันรั่วอิน่าทุกอย่างเลียวนี้กินไม่หลวงกินไม่ได้แม่บ้าหรือแม่สีเหรนเอนีลูกสาวก็ทำครัวไม่เป็นไม่รู้จักคันรวกวไม่รู้ท่อผันทระสติีมาขอฝาท่านคิดในวันนี้อาทิตนี้พยาาจะออกขึ้นไปหมายอาบไปแล้วตั้งแต่เช้าแล้วคนมากะแน่มาครัวบุญ มาขูมาไถมาใส่ิตใจให้แจ่มใสหลับไปมวมหมอ ง, มองกลับท่า น, นคอนบทชายนหาเหตุผลที่ไม่ดีในชีวิตหน้าชีวิตนี้ชีวิตจะเป็นเหมอนทรัพยากรท่าจะไม่มีประโยชน์ในชุ่งท่านเศรษฐกิจตกตขอขอเจริญพรมาเศรษฐกิจมันดูกแต่เราทําให้ตกเอคนเราดีเหมือนกันทุกคนแต่ดียังไง ที่นามอยู่ทั้งหญิงทั้งชายทั้งสาวแค้แต่แม่มาัดียังไงมีไหมส ม, มุดนามแทนชื่อว่าคาไปเจา้าเป็นพระเอกแทนเอกมีไหมส ม, มุดนามแทนชื่อคาไปตัวคนชั่วอาวไปตัวโกงนี้นะมีไหมไม่มีใครลับแอดดูตอนเล่นเวลาเปิดฉากออมาแค่เปิดฉากก็รู้แหลวตัวโกงโนสิงออกมาแล้วมันมองดูฟ้าให้ดูหน้าคน คนไทยเอกนั้นเอก เ, เ, เขาจะมองตั้งแต่ดินขึ้นไปนอนนอ น, อนนอนข้ามดูสูงก็นนอนข้ามดูตามต้มองมอนไหนบาคนไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มองหน้าใครเลยพวกตัวตุ่นมันคือตอข้อเข้าลงลูมันไม่มองหน้าใครเลตัวตุ่นคือไห้โง่หง่าสาวตุ่นหน้าเองขอฝากไว้วันนี่เป็นวันฟังธรรมตามเหตุผลทุกท่าน ที่มาานะทำมาพลาด า, าลาวันช้าเรามาน่าคบละแต่ขอให้ช้าทั้งหลายโตชาวันช้าอย่าหนีไปเชี่ยววันช้าอย่าไปตลาดวันชากก้าต้องมาพบโยมเลยเห็นไหมวันช้าไม่มีมาพบโยมเลยโย ม, มาก็ผิดหวังโยมมาผิดหวังไม่เจอพระโอนไปตลาดบ้างไปโน่นไปนี่บ้างใช้หน่ายหรือประทานได้จะไปนัดโยมมาทําไมนะัดไป ท่นเกพลเขา้าขันผลที่นายฟังไม่ใช่พูดเล่นนัดเดินมาแล้วผ่าไปเที่ยวใช่ไหมเป็นบอกแสดงได้เลยไม่ได้เลยนะต้องสู้ยอมจะไปพึ่งใครแล่าไม่เจอครันยอมจะพึ่งใครใช่ไอันนี้จางเอ๋ไม่เที่ยงทุกขังนาตาจะไปพึ่งใครเกิดมาในชาละคนโลกม่จะไปพึ่งใครแล้วชาตินหนาหลายพึ่งตัวเองเถิดไม่มีอะไรที่ดีกว่าตัวเอง บางค น, พ, น, น, ค น, นพูดไม่รู้เรื่องเพราะเปลี่ยนเวลาคนที่อยู่มาไม่ได้เรื่องเพราะเปลี่ยนเวลาพูดไม่รู้เรื่องเพราะไม่เข้าใจเป็นเหผลที่นาร า, า, า, าสุได้เวลาคุณท่านเกิดมาในสายฝนหลกนี้อย่างแน่ น, นอนของอท่าเทวติคิดใส่ความหมายของมันบองคนพูดกลางวังก็ไม่รู้เรื่องไม่จะรู้เรื่องในทุกคนท่านทไหนสถาบันต่งงงางๆท่านโรงเรียนอนุบาล แต่ทั้งโรงเรียนมัธยมวิทยาลัยเรียมหาวิทยาลัยาั้งบริษัทสถาบันชลธารมีทัานดีทัานผูกไม่ใช่ดีทุกคนแต่เราก็ไม่สามารถจะทําให้สถาบันเหล่านั้นเขาเนดีได้ทุกคนพต่ที่นาเสียดายเวลาทุกคนประเภทเนี้ดีไม่ได้นี้ยขอฝ่ากท่านสาธุชนด้วยการทั้งหลายมาเนี่ยประสงค์ความดีใช่ไหมแต่ดีแค่ไหนดูท่าเหล็กดูค่าปฏิบัติคนท่าน ท่จะเล่นเรื่องอะไรจะเล่นเรื่องสังทองหรือรับชนะวงองฟูทอนี้จะเล่นเรื่องรามเกียรติหรือเรื่องอีเหนาปูเลตาหรือเรื่องท้าภัยมณีเลือกเล่นตามชอบที่มามีหน้าตาดีๆไงหนูตาเล่นหนูตาเล่นจะเล่นตายเล่นมาเล่นมาเล่นตายเล่นมาเล่นตายจะลาหลงจับตะโกงในทุิทีคนไหนเกี่ยวกับตะกนคนนั้นก็หลงนีเองนี่น่าคิดแต่ท่านไม่ได้คิดกัน ออกาจากโรงเขาต้องไหวครูวิเกเดี๋ยวนี้ลิกเกรุ่นใหม่ไม่ไหวครูไม่รู้จักครูบาจาังไม่รู้จักเด็กทีจับครูใหญ่ใช่ไมค บ, บกกอ น, นี้เขาจะไหวเขาจะเร่นเขาต้องไหวครูครูักครูจัครูเนี้ยครูนำครูสร้างผูสอนเดี๋ยวนี้ออกมาสายจูตายฉายสุดปลาลิเกเขาคยออกแขกไม่บอกเร่อะไรเลยร่นเลยมันถึงเลวลงถึงขนาดนี้สัเกียบมน่ตอบชีวิตฉันรามะอูในสังคมสุดแบบนี้กดดูทีวีต่ อ, อไปในวันที่6 โอกาสทั้งหลายว่าในโอกาสนี้เดี๋ยวจะเล่นคลองทั่วประเทศสายตึ้งยนย้ายก่อไปชาชนก็ส่งคลองทั้งหลายยังสำคัญมากแต่ท่านทั้งหลายที่น่าเชื่อถอวันนี้ควรจะช่วยในการเช็คตัวการอ่านช่วยการเขียนช่วการเรียนวิชาช่วยกแก้ปัญหาเกิดประโยชน์ต่อไปเถิท่านจะไปเถิดที่สุดท่านจะเอาลายมาเป็นหลักท่าเจาเรามาเป็นหลักมาวัดเพื่อใดลาย้ก็จะอะไรบ้างเ้ื่ใดเลยกลับไปเสียอใจกัะท่าน มาเล้วไม่ไม่ได้ลมีไปช่วบุญกับต่างหลายวัดชัววัดโน้นหังทัวยวัดนี่ม า, าตมามีจะให้ก็ช่วยเชิญทานาหาเชิญทานข้าวสารของไอหลวงถ้าท่านบาหาล่าท่านจะทานมายี่สิบกระสอบถามถ้าสำนักตะสวางดูสำนักตะสวังมันน่ากรรฐานอยู่แปลงตัวมาหน้ากรรมฐ า, านผู้ช่วยเลยขาพิการแล้่ายาของท่านในผนเอง ในพ้นเอกพ้นเอกสมุโสมคลักทำลงเคล็ดขาดมนขอเป็นสมุฮะ อ, ทอาทโงมคลัพญาตินอกมาหน้ากรรมฐานดีแลีวแต่ที่เราไม่รู้ปลอมแปลงมาพูดจาการให้พูดเพาะเพราะมายาพูดเหลวย่าแสกลาง รูปใบขนแก่เนี่ยห่าโน่นห่าคือเป็นเทวดาลูกจ่าให้เขาเห็นมันจะแต่งตัวสวยแต่มันไม่ใช่เทวดาแต่ไม่ไม่ใช่มนุษยชาติชักยภาพของบุคคลดูคนให้เป็นก็อพูดจาให้เข้าไว้ยานี้มีจนจะเป็นใครก็ตามถือว่าเป็นมนุษยชาติไม่ไร้มนุษยชาติชักยภาพแห่งบุคคล เขาก็เป็นคนด้วยกันแต่ ว, ว่าเด็กตายเย็กอย่ามาลยกไปเด็กมันก็มีหุ่นใมันก็โกรธเหมืนอนกันนะไปดุไปด่าหมไม่จามไปต้องเด็กท่านเดททนแข้งสุนักขาลองไปได้มาที่ไปข้าวเขาหยีไปขาวมาสิลุงไปเช้าท่านเดินไปสิมันก็ต้องเหา่าท่นคุณอย้วภาษาถ้าเด็กว่าแค่สุนักมันก็ไม่ชอบไม่ต้องแค่สุนักแค่ผีดีสารได้จะโทษแล้วเอาไปซ้ายหวานสิ ไ า, าง่ายเลยทางร้านบนอู่เรือนเนี่ยร้านโบราณท่านเนี่ยไอ้ผีเราได้เข้าสิงลูกสาดเ<ม>ลยร้านชัยศิทห็หมทางน้านอู่เรือนลกเรืนี่ขอฝากเขาด้วยเลยผีอขอกผีกัพาะประทานโทว่าผีเนี่ยคือเจ้าของ น, น่ารักที่ลูกก้อนเป็นโพลเป็นหายาเป็นตั่ารแกะตาแกาเป็นเศษอีก น, นเลยก็ ทานกูแท้เขาบอกว่าเนี่ยลูกคุณทําทางโทรศัพท์ถึงเวลาสามโมงจะต้องไปคุณแก่เลยบอกเนี่ยผีสิ ง, งเขาไม่ไดผีเขาเป็นคนที่อพระมาไล่เอาพระวัดเชิมข่ามาทำน้ำมนต์ไล่เรารู้เลยต้องมาชอดาบตาที่นี่หายไปเลยนี่ขอสาบเถิดผีเป็นกันเปลียดไม่ได้คู่เพาะแผลเม่ตาผีก็ละสุนนะ มันมันลุเราเอาไอ้ลุกชิ้นไหนจริงมันก็ต้องคอบันให้หั ก, หกหตรงนี้ลายไปมันก็กจบหมายตามเราแค่เดี๋ยวฉันขอเจริญพรขอประธานโทษเถิดพี่นองสิละเขายังไม่เฉลยมาลองไปตีมาสิมันจะต้องเหาเราคนเดียวชนะความทั้ทงหลายแม่ตาดีๆที่สุดลแล้วมันมีอะไรแม่ตาคุณนางอลังไม่ตามือประโยชน์ต่อคุณประโยชน์ทังท้งชุด รือฟ้าแม่ตาพระนิยาลีเอือเพื่อข่าวรูเ้เคยดูก่รนายช้างก็กล่าวว่าผีดิศเราจะพูดแพ้แม่ตาผีก็รักแม่ตาดิศะลอกปะสมิงมาประสิทาิ์เทวปิมานันขับรถไปผีดิศเราจะพูดอนุโมทนาโปรดเอาไปใช่น่อยในทองใช่หรืรับรองท่านจะไปไหนปลอดภัยไม่มีสัเกตจางไรผีอนุโมทนาใช่หรืมันมีตัวนตนประาต า, ตาย นี่คือกรรมฐานวันนี้ก็จะชี้แจงจแสดงเหตุผลเรื่องนจีมันเรืออาชีวีนี่จะไปออกขอจัดในวันที่สาม่เดสอไปโดยนักเรียนตำรวจในตวจฐานเดี๋ยวนี้ดูทีู่เ น, นี่ยนูวนนัจะได้ออกไปให้นักเรียนตำรวจได้ดูกันนะเป็นประการใด ว่เสร็จจะเกตยามโศกยาโศลาราะนบากจะขับที่บักตัวจะพลัด้เกิตั้งใจฟังต่อไปนักโอกาสบัดนี้ขอเจริญพรเจริญศกโดยทั่วกันนักโอกาสบัดนี้ตั้งใจฟังขอเจริญพรท่านทั้งหลายเลยเปิดมามีปุ๋มมีตามีปากมีฟันด้วกันทุกคนเหมือนกันเลยด้ะเอามือลงลมวต้องบังนมือ เมื่อนอนนอนฝังนอนฝัเมื่อก็นอนฟังได้แต่ปัญหาอย่าหลับหลับนะมันไม่ได้เรียบเวลาเฮ้นอนฟังได้อาชีนอนนอนฟังติชิลกาเอาหมอนมานอนฝัแต่ปัญหาของอาชีลกามันไม่ถูกไม่พูดเลยนะโอ้คนไทยเราเเียบเพียบชีวิตโอ้แทย์ออีเหลือเกินฝาคุณฝาทุนหัวแทย์ดีมาก ปามุมมมุเด็ดคุยกันคุยกันมแม่แพทยดีชอบหลอพ่อวัแพทยดีมากเอ้วันก็มีดโดยสารชนี้ตุลาคมสงใจเพิ่งเซ้งวันนี้เซ้งงานแทเรียอะไรจำไม่ได้เลยจำ ไ, ไ, ไม่ได้เลยนี่ประแพทนี่มีมากเพื่อประแพทย์นี้เยอะศรีรากานอนฟังเอาสอบยาเล่ลาเลยหมดเล่าเลยหมดเวลวาแทย์เีเขาจะไม่ปุดของเราเนีเ่ยเขาเพี้ยเงียบฉีเลยนะ ตั้งแต่ะมันอยเลยกับลงมือกับดีเลยน่มาดึมาทันบบนี้แบบตากดึงมาทันนี้แบบแล้วเข้าฌานหลับหมดมาหมดจะรู้ยังไงองค์เม้ตกลงตดยางจุดกระแทงต้งผู้อย่างนี้ไม่มีใครรู้เอียงซ้ายเอียงขวาก็ไม่รู้ตรงไปตรงมาก็ไม่าา้าใจขอฝากท่านทั้งหลายผู้มีปัญญาไว้ดูโอกาส มีปันดาอะไรฉันได้คนเราเนี่ยแตกแยกกันไปโดยปฎแห่งกรรมอย่าตกกาจะทำก็ข อ, ขอเจริญพรที่น้องเราชาวสูงเวลุวันพิชัตและค้อนแก่นและไทยสามตั้งแต่และครพนมขึ้นมาตะพนมาพรน้องทายและแม่น้ำโขงและประเทศลาโรดฟังนักบันชีเวจะ อ, อ่อนตายมาในที่สัมผัสที่อัด ขอเอาของแก่ขอพี่น้องเราชาวพ่ายสามทุกท่านเทตมาพระราขุธิลำหสองเอาของดีไปคืนที่ศูนย์เวลวันเหมือนสมัยตา ม, มาบัวดได้4ฉปัญษาทานสามปัญหาเนี่ยปัญษาที่หนึ่งก็จะเสร็จจับตลวงพว่อเดิมวันน้องโภน้องโภวขออัฐาเมตตาทั้งหมดเท่านั้นเอง ขอร่างสิครับบดนายกการการัำรวจขอเจรจาไมในทนแบบนี่ไม่ตองกาบดเปลี่ยนชักกลับมาเป็นชักอย่าเกนเนเลียนนะเลกขี้เมาก็ช่วยควกแม่สอบด้วยแต่แล้วกลับไปเป็นเนียเขาไอขีเมายิงเปลียนาายิงเข้าใจก็ยิงรักธิบอกแห่งกลแผม่ตาให้เปลียดออกไปแล้วก็มาแทนที่สร้างความดีกันต่อไปไม่อยากรื้อใช้ได้ไั รงนี้เป็นตัวกลุ้มสุดแบนจุดแคนขตั้งโลกมันเยียงชายเยียงขวาต้องเดินหนี่งพันองศา90้าองศาให้มันคงใจคงอารมณ์ดีนะแต่บางคนไม่ชาไม่สนใจในเรื่องนี้จะประการใดอย่างสมัยที่จะต้องไปสร้างศูนย์เวรุวันหมดไปแลสปล้าน 3. ปีหมดปล้านไปดูได้ด็ยยกอกเตอร์ลําไยกับอาจารย์เท้าวรน จากชาวบ้านที่มา 2,103 ที่6เป็นจํานวน20รายว่าสายชูนีบาทฟาคืนมา3คนเปลย่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสนานวันไว้ว่าฟาสุราลายแดงแฉะฉาดสายลุงกินยานไปสู่น้องชายพญานาคขึ้นมา2ท่านเป็นแปลงเป็นมุกมีคนเห็นเป็นจำนวนมากบ้านข้านสูงเมลวันเป้นกล่องพญานาค อาตมาบันทึกหลักฐานไว้จนถึงัวงนี้ว่าสามเปรียงคือสามปีครับเจ้าจขุดนสามุทธเจ็ดสามพุแปดสเก้าจบเสร็จสลาเสร็จ39ุกบัตรนี้สี่สิบไปดูไนดะ้สลาหมดไปเ้าแล้วห้องหน้ามุงชั่วหนึ่งห้องแล้วรายงาน ม, มาจากศูนย์บริวารคอนจักกาลังฐานห้องทัพสนุกประชาชนโคลนท่าสารเข้าแน่นขนาด ทางตำรวจรับเรียนตหรวจไปหมดคนภาษามีน้าใจมากขอพูดจริงตอนนี้ผมคุณสมเด็จท่านได้เปล่งมาจาว่าชิงชายงานคือภาคหนชิงดีคือภาคสามอดทนกิงข้าเหนียวชิงทยอุดมสมบูรณ์ภาคสามมีเหมืองแน่มีสวนยางชิงจอมโจมจอมไทยคือภาคกา ถ้าครางหัวแข็งที่สุดอาตมาด้วยเดจะหาว่าว่าคุณเองเขาไม่ด้วยมี่้าครางขาครางแต่ที่จะมีอดียาลรอบเรือเพื่อแผลนจะยากจนแบบแย่งกันมากคือขาครางภายชานอ้อมน้อมทำสนผู้จาก็เพราะทำอะไรก็หเหมาะกลอมเมื่อมีงานเนี่ยแม่ค้าแม่ขายมา อ, ออกร้านให้40 50ิบห้าล้ โปร่งลางก็ามาช่วยเด็ดที่ด้อยโอกาวเงินทองจมาช่วยเยี่ยงช่วยบกมนนื่นมาไเรียนหนังสือมีโปรง่งลางูมาจ่ายช่วยล เ, เล้ตลอลรายการา น, า น, กาานี้ขอฝากพี่น้องชาว้นแก่นและไทยสามด้วยมันมีความหมายอย่างชื่อเราดีใจด้ยความสุขอาการย์ดูต่อสถานที่ที่เราได้ของดีมา คู่ตองนี้ออกไปเติ้ลให้ทางฟังที่นอนช้าพ้นเก็บศูนย์บริวังโปรได้รับทราบสร้างให้มีความงามสที่ความดีสี่แบบาตามรู้ให้สี่อย่างท่านจะได้ผลอย่างสค่าราถนาในกรรมฐานงามส่ที่งามกลุไหนคะรือแล้วจะต้องเอาที่เวลาโอกาสเอาไปใชิญ ขอขคาะเจริญพรย้อนหลังอีกชั้นิดอักศึกษาแรกกองการจะไปลาสขาโบกับกรงพ่อเดิมวัดนงโถเพื่อปีละว่ารักมาทำนิพันธรรมคูติสิบมีคัดสีระคุนวัดนงโถทันเนียดูก้าสุปานีย์จูนจะสุพอล้อเราอยู่กับท่านหกเดือนท่านมาแลยมหน้าภาพนี้กลับผมนี่ไปอยู่กรงพเดินมาออยู่กรุงปักงบนาการตอนไศึกษามะนัน หนึ่งเรือนวัชการนอกนครพิทยาโยยาราชธานีจนๆท่านผู้ชายก็จะไปลาชการอบหลวงพ้อโดยบันทงเตดร์แต่แล้วก็ไม่สมหวังท่านรู้การกลายมากท่านบอกว่าอยาสุขคาถาหมานโยมคถาผู้หญิงก็ไม่หะแต่จะมาได้คถาผู้หญิงมาบทนึงผู้หญิงนะในคนละไปเลย ไอยากว่าผู้ญงสาวสาวแค่แกไม่ไม่รับหมดฉันบอกเอาไปท่องหนึ่งอย่าเป็นสหนึ่งอย่าเป็นสองสาวมาตามมาก็สีฝึกหนึ่งอย่าเป็นสอหนึ่งอย่าเป็นสอหนึ่งอย่าเป็นสอผู้หญิงเาก็พูดว่าเขาก็เชิดกันเอ๊ะท่าองค์นี้มาวานยังดีอยู่เนี่แต่วันนี้เป็นอะไรไปได้เอ๊ะถามไม่ัจะไปถามหลวงตาอุ้ยร้องตา พ่อเดิมเป็นหายมาว่ามีคนรักมากก็หนึ่งจะเป็นสองก็คองวัชินีปัจฉ์ผมก็หนึ่ง่าเป็นสองหนึ่งไม่ใชสองหนึ่งไม่ใช่สองผู้หญิงก็ปากมึนฤทว่าพระองค์นี้เมื่อวานยังอีกวันนี้เป็นอะไรไปก็อุ้ยบอกไปเอาอท่านดีกว่าของท่านดีมากที่องค์ที่พึ่งผิ่ปัจฉ์เอาง่ายส่อเส้นาไม่มาเราก็ไปหามันเองเพียง แต่อเมริกามีขงังอีกมีเหตุผลที่นาซันและตะกานแต่เราก็ารัาความหมายกอดสมาก็จะรูุดาอ๋อขัดจังเวอามาตาวาจาพูดจริงทําจริงเป็นเสน่ห์มันอยูพูดจริงทําจริ ง, นน ม, ร ง, รงมีคนหลักมีคนชอบหลักหลงหดอกแย่เลี้ยวไหลไม่มีคนชอ บ, อชอบพูดขึ้นห้วยลงเขาทำเหี้ยชางไงกินมาโดยไม่รู้ตัวสนิมในใจจะกินท่าน วยพูดพูดขึ้นวยลงเขาเงินต้องไม่มีสองโทษแล้วต้องทำตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่คนรักเห็นกำไังผิดพลาดแต่เราก็ผิดหวังมาโดยที่ว่าเราไม่ทราบความจริงอันนีน้เพราะไม่เข้าใจสัสมมาไม่ว่ายยอมเนาะเพราะไม่เข้าใจมันย่อเป็นอย่างนั้นอย่างนอีออกอะไนี้ชัดเจนมากไหนว่าไปเช่นนี้แล้วดังกล่าสวสมัมมาก็อาจานบอกว่าเอาอย่างนี้นะ เราไม่เคยให้ใครเรียนวิชาพคจรศาสตร์วิชาพคจรศาสตร์เอาไปเลยนะฉันบอกว่าสมัยปู่ย่าตาทวดตระกูลนี้เนี่ยได้เรียนวิชามือไว้พอสื้อกันนะพอแท้งตาถวายปพระราชาให้คุณซื้อยู่สิยาก็จะทาดีพอแต่เริ่มพระเจ้าสมเด็จทะเลสวนมาลักตามบัดปู่ ย, ย่าตาชั่วของตระกูลของข้าเลยมาถึงข้อเดิมให้ก็เรียนต่อ มันก็ไปต่อช่างป่าเราก็กราเรียนสว่างหลวงพ่อครับช่างปา น, นี้นะไม่อยากเรียนท่านพูดทันทีที่ผู้ใหญ่ให้ไว้ก่อนอย่ายิงจองหองมาเรียงกองผู้ใหญ่รู้เหตุการณ์พระเจ้าจะต้องประสอบไฟฟางกระชัไม่มีใครเรียนหนะังมีเจ้าคนเดียวที่จะต้องเรียนไดน้ขอฝากตอนนี้ฝากพระยารงไปถอนลูกหลาผู้ใหญ่แม่ให้ไว้ก่อนถึงแค่ช่วยลูกเดียวแม่ให้ก็ต้ออาไว้ แม่รู้เหตุการณ์จะมีประโยชน์ในวันหน้าลูกเก็บไว้นหลูกนะนี่พ่อให้นะลูกนะเก็บเอาไว้จะดูต่างนะพ่อจะดีกว่าเอาไปทิ้งเชียวจะได้เห็นถ้วยเราจะได้ถึงพ่อเาได้เห็นถ้วยเาจะได้ถึงไม่ได้ไม่ดีกว่าหรือประธานได้แล้วเด็กนุ่นมานี้มันอัปรียดยังไรพ่อไม่ให้เคลือทิ้งหมดแย yeah, ่มากในสุดเงี้ยงฉันอานใช่ประการใดมันจะแยกเศรษฐกิจตกอย่างนี้ มนจะซื้เนี làm, nào, ่ยขนาดเอาแม่ขายนาขายง่ายขายแต่เรียนเป็นลอกเป็นโหแต่ไม่เคยจะดูแม่เลยไม่เคยกลับพระนครแม่เคยกลับขึ้นวางแต่ประการใดรำเรียงวางแต่ประการใดพ่อแม่ก็ต้องขายนาหมดบ้านก็ต้องขายแล้วก็ไม่มีใครอยู่ก็ต้องขายไปบ้านแต่แค่แหลขาดแบงแค่คุรบาสองบาทไม่มีเหลือ มีเศรษฐกิดตกเป็นอย่างนี้จริงๆไม่เคยจะช่วยพ่อแม่เลยลูกถ้าหากลูกกลับมาช่วยพ่อแม่จะทำานาไหมทำสวนไหมสวนน้ำวนทำสวนผู้เรียนนะมกลับมาฟื้นฟูขึ้นมารับรองไปรอดแม่นอนพี่น้องชาวชายฉานโลกพิศนาเรื่องนี้เป็นหลักสำคัญที่ไปทั้งหมดเลยข้าวโพดแท้ไปอัดะต่หดเลยเจ้าเห็นไหม นี่พนักจานนี่พ่อแม่ใช้นาแลกตาส่งรูปเพียนตะดิค้ากดเป็นยาโทกุราน้าหมดไปห้าแปลสุดรูปเพียนหยุดพนัจงานชัดเจน ม, มากาจะามาไปเยี่ยมมานอนเป็นอำมาผาไทยอุจะาะเหม็นลูกสาวขับรถดีเอ็มมามีมาห้าสาวสี่สาวขึ้นมาบอกนุ้เป็นการนู้เป็นลูกอันนี้ชักให้แม่นหน่อยแม่อุจารเน้ชักไม่ได้ จะรีบไปเผาสพอวยุทยาศบนั่นเป็นไรก็เธอเป็นอายของเพื่อนแม่โลกประเทศใครไปโลกแล้กระเทเือนซะเลยแม่ทุกคนรจแสัต้ท า, าไม่ได้ไม่อยเป็นตัวอย่างในคนจะมะไม่รีบมาชี้เจนแม่จะร้องห่าแล้วก็ถามแม่รู้ว่าครูคุณแม่รน้มอัจไริ มาขอเงนินแม่แม่หมื่นจะไปจิ้มหนังสือเรียยังไม่ผมนนยังไม่จบว่าจะขอค อ, อนโชกคอนโทรลรถอีกมีเอ็นอีกขรึ่งคันว่าอย่างนี้แม่ร้องไห้โอเลยตลงพ่อต้องขายงานแล้อีกคนนี้แค่ซักผ้าให้แม่ไมได้หนูคนนี้หลวงพ่อขอพูดเธอสองนาทีที่ยเาอเป็นแม่เรานะหลองพ่อเป็นชะต้องชักด เช็ดกนเช็ดตูดให้แม่ดไม่ไปละบาปุทธจำไว้ผู้เจ้ายกย่องแม่ผู้ธรรมดาแ้วทำไมอ่ะเนี่หนูเราไม่ใช่แม่เราแล้วเนี่ยทำไมเราเราจะจะทชอยู่นี่เลยเองก็ต้องเดาทหลอมพ่อทำเองถ้าเป็นแม่หลวพ่อเนี่นเอ็นเป็นลกูกแท้แท้ทำให้ไม่ได้เลยไม่ได้ไกจะรีบไปว่าแล้วทถานั้นมีท่านชาติมันก็ไปไม่กลาบเรา ลงบันไดปึ้งปึ้งปึ้งตึ้งประตูด่าเราไม่นี่ตั้กันเอาลราคาประชาชนจดท่านจำท่านจดไม่ลูกลูกไอ้ยิงแม่จะล้องนายบอกรองพ่อครับหนูจะต้องขายนายแกลแล้วก็พ่อบ้านชนะโยไปดำหนายังไม่กลับดำหนาวยังไม่กลับเห็นอูจจะละไห้เราก็ไม่รู้จะทํางานถ้าเป็นแม่เราหน่อยไม่จะบัดนี่เป็นคนอื่น ถ้าเราไปชักขึ้นทาไปโลกับวัะชักในคนจะไหมทำให้ในใจญหอถ้าเป็นแม่ให้กาเนิดเกิดมาสามารถเช็ดก้นพรทธไน่พโชคเช็ดก้นเช็ดไห่ให้ใหญ่เช็ดดาบขึอนใหญแต่เสียใจแล้วเกินข่านทั้งหลายโบราณท่านหลวงว่าไวา้ทำอะไรปิดทองพระในบ้านมีดช้าในบ้าน พ่อแม่ขเขาเล้าเอ๋ยราออกมาแม่ก็เ่าข้าวยาใส่าปากอา น, นมใส่าปากก็เอาปิดทองให้ในปากอยากพ่อแม่อดุยาากแค่สองปซื้อก้อนอันที่สามปดังแห่กู ย, ยังไม่มีใครรู้พ่อรวยแม่เลยโลกขายมุดอจงมาเช็ดก้อนเช็ตูดเช็ดแหาแห่ให้ลูก ด, ดับแล้วก็กิงข้าก็แท้งอุจจาติดมือก็ยังไม่ไม่สมด แต่ทำไมลูกอะเช็ดกนเช็ดลางให้แม่ไม่ได้นี่เรื่องจริงขอให้ท่านทั้งหลายติดทองพระในบ้านวันลาสามแสนหยันถ้าท่านมีพระอยู่ในบ้านพระขอบพระแม่พระอายสงของโอระกูทองนี่เล้นะพุทธมารดาของเธอจะพุชชะจิเนี่โลรพุทธมารดาตลอดใยมาสามเดือนดังที่กล่าวเลยนีชัดเจนนะทำมาแสดความเสียใจดูมาแนะชาติ รอมที่ไจะเอาพระที่เราตายมาจมาไปเผาศพลูกสาวมาไม่เอาไหนเลยไม่ได้ช่วยงานทัด บ, บ้านเลยบ้านนั้นก็ไม่มีใครอยู่พ่อคือสามีเขาเขาต้องย้ายไปเขาอยู่บ้านสามทุกทุพานบุรีไปมีภรรยามาแล้วก็เรือนนั้นก็ยกให้บ้านไปที่นั่นก็ขาดนี่แหละไม่เด็กลับไปภูมินหนาวเนี้ยมันก็นยังเงี้ยมาถึงเศรษฐกิจกตกเพราะเหตุ ขอฝากไเลยนะไม่เคยไปช่วยพ่อแม่งานมีต้องสองไว้กับลังหมดเลยสารหมดนี่ไม้แล้วทำไมประเทศชาติจะไปรอดนะไปไม่รอดขอรากท่านทั้งหลายว่าในโอกาสนี้ด้วยถ้ามีาโอกาสที่ดีเลวช่วยสมองพระเดชคุณปิการมันดากลับลกาจะคืนบ้างคืนเวียงคืนยันไมยมีเลยงาจะกลับมาช่วยพ่อแม่ทานากลับมาช่วยพ่อแม่ทำลุงสีกลับมาช่วยพ่อแม่ทำน้ำแข็งไม่มีเลย พอแม่ต้องขายอยาแตกลานเพราะดังีิกล่าวมาอันนี้ชัดเจนเพราะตากันเราถือไปต่างาาประเทศนะครับนี่บอกวราพ่อข้ามานำเงินนิชิมเนี้ยรถดีเอ็มยังส่งไม่หมดเลยแม่ก็ไปนทาภาพดูซะนะพี่น้องชาวไทยไม่ได้ช่วยไทยแม่ตัวเองก็หาไม่ช่วยมาเน yeah. ี่ยท่างานแหล้ลก่อนแม่ทำให้ลูกให่ที่ให่แต่ลูกไม่เคยทาให้แม่เลยนะ หมอฝากพ้นาเตลนะเราพ่อแม่ีรักลูกด้วยความไม่สุดใจแช่ๆช่ถ้าใครเป็นแม่เขาจะรู้รักลูกด้วยความไม่สุดไม่มีใครที่รักเราเท่าพ่อแม่รักกเราทำไมเราไปหลักาไปรักแฟนหมอฝากพิน้องชาชัยไว้ด้วยนะเขาได้เมียเมียเป็นแม่ตัวไปเขาได้ถือว่าเป็นพ่อตัวไป <c oughs> พ่อแม่จำเนิ่งเกิดมาเลยเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงควรอย่าเอาเุินคุณ อย่าอาบุอย่าเอาผลตอบแทนกับลูกเลี้ยงเอา บ, บุญคุณไปเอา บ, บุญไปจะไอเขามีปลอดภัยในทุกครั้ก็แล้วกันถ้ามาพูดถึงลูกที่ขึ้นไม่ได้จะเสีใจมากเขาไปยาดูเดนเนี้เขาจะมาช่วยกันเราก็เข้าเฉลี่ยแต่ชลาที่น้องไทยไม่เคยเคยช่วยันเราจะช่วยพ่อแม่ก็มาหนีทางนะขอฝากเมืองเชชาดไว้ในที่นี้เราก็จะจ่สาสอนชัดเจนมากสมช่วยตัวเอง อย่างนี้ที่อา่ารย์ทั้งหลายอาต ม, มาก็เรียนภาษายวิชาคุณศาศย์ธรมได้เราเรียนกับหลวงพ่อโจงนักอาารยพระอาจ า, ารย อ, อ, านนอย่างน้ำมันทำแนมาที่หนี้นมีหลายเรียนกะดูจากหรงพ่อสมัน ก, การบุรีที่กระดูกหักใช้น้าน้อนลวกทาน้อนเทเลยนะเ ล, ลเลิกแล้วเลิกแล้วฉันเลิกไปแล้วฉันเลิกกบเขาเลิกค่ะฉันไม่ําอีกต่อไปแล้วค่ะฉันเฉยๆ น้อนหลับเลยใจเย็นนะมากตอนนี้มีคนรู้เดี๋ยวนี้เลิกแเลยลไมมนมลก็จะเลิกแล้วกินแค่โลกมะเร็งได้ก็จะเลิกไม่เอาเนี่ยเราก็ร้องเพลงในจ่าฉันเลิกแล้วล จ, จะ้ะ